เจ็ดสิบสามอุโบสถปมุขานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถเรื่องสมุิโรงอุโบสถเล็กเกินไปข้อ142สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งทรงสมุิโรงอุโบสถเล็กเกินไปถึงบรรอุโบสถภิกษุดสงลงประชุมกันมากภิกษุทั้งหลายต้องนั่งฟังปาธิโมกหน้าพื้นที่ที่ไม่ได้สมมุิ ภิกษุทั้งหลายจึงได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพึงสมมุติโรงอุโบสถแล้วจึงทําอุโบสถก็พวกเรานั่งฟังปฏิโมกข์ในพื้นที่ที่ไม่ได้สมมุติอุโบสถเป็นอันพวกเราทําแล้วหรือไม่หนอภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุนั่งในพื้นที่ที่สมมติแล้วก็ตาม ยังไม่ได้สมมติแล้วก็ตามฟังปฏิโมกอยู่อุโบสถย่อมเป็นอันเธอได้ทำแล้วทีเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถให้ใหญ่เท่าที่จำนงเถิด